ตอนที่36อาลานจอมรั้นคิดว่าฉันอยากจะยุ่งเรื่องของแกนักหรือไงหลิวหวันแค่นเสียงฮึออย่างถือตัวถ้าไม่ใช่เพราะกลัวแกจะทําให้พ่อขายหน้าฉันก็คร้านจะยุ่งได้ปกติอยู่บ้านแกออกจากวางโตไม่ใช่เหรออะไรกันแค่คนไม่กี่คนนี้แกยังสู้ไม่ได้เสียแรงที่เมื่อกลางวันคุณย่าอุตส่าห์ทําซี่โครงหมูให้กินจริงจริงเจ้งเศร้าสิ่งที่ถูกดูหมินถึงกับพูดไม่ออกไปชั่วขณะอะไรคือคําว่าแค่คนไม่กี่คนนี้ เขายอมรับว่าหลี่วานเก่งมากแต่วางจี้ข้างนั้นก็ไม่ใช่กระจอกนะอย่าว่าแต่รวมหัวก็หลายคนเลยต่อให้สู้ตัวต่อตัวเขาก็ยังเอาชนะไม่ได้สักคนใครบอกว่ากินเยอะแล้วต้องสู้เก่งเสมอไปละ่ะเจิ้งเซาสิงวายๆออกมาอย่างหัวเสียกินเยอะก็หมายความว่าร่างกายต้องแข็งแรงถ้าแม้แต่เรื่องตีรันฟันแทงอย่างสู้เขาไม่ได้แล้วจะกินเยอะขนาดนั้นไปทําไมเปลือนเสบียงอาหารชัดๆหลี่วานจิกกัดอย่างไร้ความปราณีมุมปากของเจิ้งเซาสิงกระตุกอย่างรุนแรงบ้า จริงเขาดันรู้สึกว่าสิ่งที่หลีหวานพูดมามันก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันเจิ้งเซาซิางทั้งสองเพิ่งจะเดินมาถึงหน้าประตูเจิ้งอวิ๋นชงที่เห็นเจิ้งเซาซิงที่หายไปแล้วได้คืนมาก็ตะโกนลั่นออกมาทันทีเขายังไม่ทันได้ขยับตัวทําอะไรคุนญาเจิ้งที่อยู่ข้างๆกลับปฏิกิริยาไวกว่านางพุ่งตัวเข้าไปคว้าใบหูของเจิ้งเซาซิงแลบิดอย่างแรงดึกดื่นป่านนี้แกหายหัวไปไหนมารู้ไหมว่าคนในบ้านแทบจะหัวใจวายตายกันหมดแล้ว ต่อไปถ้าแกยังกล้าหนีออกไปข้างนอกอีกชั้นจะตีขาแกให้หักเลยคอยดูอากเจ็บครับคุณย่าหูผมจะหลุดอยู่แล้วเจิ้งเศ้าสิ่งรีบผดตัวกลายเป็นนกกระทาทันทีเมื่อเห็นว่าเด็กกลับมาแล้วบรรดาเพื่อนบ้านที่มาช่วยตามหาก็พากันแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันด้วยความเบาใจภายในบ้านเจิ้งเศรา้าสิ่งยังไม่ยอมสารภาพความจริงว่าคืนนี้หายไปไหนมาท่าทางของเจิ้งอวิน๋นฉงดูเหมือนว่าถ้าเจ้าตัวไม่พูดความจริงคืนนี้ก็อย่าหวังจะได้นอนพูดมาเจิ้งหวินฉงดูด่าด้วยน้ําเสียงเข้ม คืนนี้แกไปเที่ยวเล่นที่ไหนมาผมไม่ได้ไปไหนครับเจิ้งเซาสิงก้มหน้าต่ำไม่ยอมเอ่ยถึงพวกของหวางจื้อขังแม้แต่คําเดียวได้ในเมื่อคืนนี้แกไม่ยอมพูดความจริงนั้นก็คุกเข่าอยู่ตรงนี้คุกเข่าไปจนกว่าจะยอมพูดความจริงนั่นแหละไม่ใช่แค่เจิ้งอวินฉงแต่ผู้เท่าทั้งสองของตระกูลเจิ้งเองก็โกรธจัดเช่นกันตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่ในอารมโมโหต้นไม้เล็กถ้าไม่ดัดก็ไม่ตรงยิ่งเป็นคนยิ่งต้องขัดเกลาร คืนนี้กล้ากลับดึกขนาดนี้วันหน้าคงจะกลับดึกยิ่งกว่าเดิมเจ้งเส้าซิงกำลังลองดีกับขีดจำกัดและความอดทนของพวกเขาชัดชัดในเรื่องการสั่งสอนเด็กหลีชิงผิงไม่สะดวกที่จะพูดอะไรมากแต่ตอนที่กลับมาเมื่อคืนนางเห็นหลีวันอยู่กับเส้าซิงพอดีนางอ้าปากทำถ้าเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็ไม่ได้พูดออกมา เจ้งเศร้าสิ่งยังคงไม่มีทีท่าว่าจะพูดความจริงเจ้งอวินชงไม่รีบร้อนพวกทหารใหม่ที่ไม่เชื่อฟังในเขตทหารเขายังมีวิธีรับมือตั้งมากมายนะประษาอะไรกับเด็กไม่กี่ขวบคนเดียวพ่อครับแม่ครับพวกท่านกลับห้องไปพักผ่อนเถอะคืนนี้ผมจะเฝ้าเขาเองเจ้งอวินชงตัดสินใจแล้วว่าจะจ้องเขาไว้ทั้งคืนเมื่อไร่ที่ยอมอ้าปากพูดเมื่อ น, นั้นถึงจะปล่อยไปในเรื่องการอบรมสั่งสอนเด็กผู้เท่าทั้งสองเห็นพ้องต้องกันกันกบเจ้างอาวินชงเด็กคนนี้จะสั่งสอนอย่างไรให้ใหเขาเป็นคนตัดสินใจ หากไม่มีกฎระเบียบก็ไม่อาจเป็นรูปเป็นร่างได้ลีชิงพิงกับหลีหวันต่างแยกย้ายกันกลับห้องไปนอนลีชิงพิงยังอดไม่ได้ที่จะแอบถามหลีหวันว่าเรื่องมันเป็นยังไงทําไมลูกถึงไปอยู่กับเขาได้ละ่ะหลีหวันเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ให้ลีชิงพิงฟังอย่างละเอียดเมื่อได้ยินดังนั้นหลีชิงพิงก็พยักหน้าอย่างครุ่นคิดที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถ้าพูดตามนี้สาเหตุที่เซาซิงไม่ยอมกลับบ้านคืนนี้ก็มีเหตุผลอยู่ สาเหตุนี้ไม่เกี่ยวกับเขาจะโทษก็ต้องโทษพวกเด็กๆที่มารังแกเขาแม่จะไปบอกพ่อเขาเองหลีชิงผิงไม่เข้าใจนิสัยด้วยร้านของเศร้าสิงนางไม่อยากเห็นอลานคู่นี้ประจัญหน้ากันแม่คะหลีวันรั้งหลีชิงพิงไว้เรื่องนี้เขาต้องเป็นคนพูดออกมาเองแม่ไม่ต้องไปยุ่งหรอกคะ่ะถ้าเจิ้งเศร้าสิงไม่ยอมอ้าปากเจิ้งอวินฉงก็จะไม่รู้ความคิดในใจของเขาจริงๆแล้วมันก็ดีเหมือนกันถือโอกาสนี้ทําความเข้าใจเจิ้งเศร้าสิงจะได้ช่วยในเรื่องการเติบโตของเขาในภายหลัง หลังจากคิดไปคิดมาหลีชิงผิงก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ควรฟังลูกสาวดีกว่าไม่ยุ่งแล้วอย่างไรก็ตามหลีชิงผิงก็ยังอดไม่ได้ที่จะกำชับอีกสองสามประโยควันหน้าถ้าเจอเรื่องแบบนี้อีกลูกต้องปกป้องตัวเองให้ดีก่อนอย่าพุ่งพรวดเข้าไปแบบนั้นอื้อแม่ขนูรู้แล้วคะหลีหวานเพราะมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วถึงได้เข้าไปช่วยเจิงเซาสิงคุกเข่าอยู่ทั้งคืนจริงๆคุกเข่าจนหัวเข่าไร้ความรู้สึกเจิงอวิ๋งฉงอยู่เป็นเพื่อนเขาตลอดทั้งคืนท่าทางการนั่งไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดเียว เจิงเศร้าสิงที่ทนมาทั้งคืนเริ่มจะทนไม่ไหวเขาเตรียมจะขยับตัวเล็กน้อยเจิงอวิ๋งฉงก็เตือนด้วยน้ำเสียงเย็นชาคุกเข่าดีๆอาสามครับผมรับรองกับอาว่าเรื่องเมื่อคืนจะไม่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองต่อไปผมจะกลับให้ตรงเวลาผมขอกลับห้องไปนอนได้ไหมเจิงเศร้าสิงพูดยังไม่ทันจบเจิงอวิง๋งฉงก็ขัดจังหวะด้วยเสียงเฉียบขาดไม่ได้ใบหน้าเล็กๆของเจิงเศร้าสิงเริ่มจะทนไม่ไหวเขากำลังจะอ้าปากพูดอะไรบางอย่า ง, างทันใดนั้นข้างนอกก็เกิดเสียงเอะวุ่นวายขึ้น รองผู้พันเจิงไม่มีเด็กบ้านไหนรังแกคนอื่นแบบนี้หรอกนะดูสิว่าทําลูกบ้านฉันเจ็บขนาดไหนใช่ลูกบ้านฉันตาบอดไปแล้วไปโรงพยาบาลก็ตรวจไม่เจอว่าเป็นอะไรถ้าเกิดพิการขึ้นมาคุณจะรับผิดชอบไหวไหมพวกเราก็อยู่ในเขตทหารเดียวกันปกติก็เห็นหน้าก้าตากันอยู่ตลอดเด็กบ้านคุณลงมือหนักเกินไปแล้วนะผู้คนนับสิบพากันกรูกเข้ามาในลานบ้านหลิหวานถูกปลุกให้ตื่นนางฟังความเคลื่อนไหวในลานบ้านอยู่ครู่หนึ่งก็รู้ว่าพวกเขามาเพราะเรื่องเมื่อคืนนี้ เจ้งเศ้าสิงคุกเข่าอยู่จนขยับไม่ได้พยายามจะลุกขึ้นหลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จเจ้งอาวินชงก้าวเท้าออกจากห้องคิวขโมดมุน่นเกิดอะไรขึ้นอวินนชงลูกสาวคุณทําตาของลูกๆพวกเราจะไปหลายคนเด็กๆบอกว่าตอนนั้นไม่รู้โดนอะไรเข้าตามันเป็นสิ่งที่ลูกสาวคุณโปรอยออกมาจากกระเป๋ารีบเรียกลูกสาวคุณออกมาเดี๋ยวนี้คนที่พูดคือรองผู้พันหวังสีหน้าของเขาดูจรงิจรงจังและเคร่งเครียดหางตาเหลือไปเห็นหลีหวานจงึงชี้หน้าเตรียมจะเข้าไปซักไซ้เจ้งอวินชงยกมือ ข, ขึ้นขวางไว้คุณจะทําอะไร นังหนูนี่ดูเป็นเด็กซื่อๆคนหนึ่งทำไมถึงทำเรื่องแบบนี้ลงไปได้รองผู้พันหวังโกรธแค้นอย่างยิ่งลูกบ้านฉันนอกจากตาจะบอดแล้วตามตัวยังมีรอยแผลเต็มไปหมดเพราะถูกเธอเอาไม้ฟาดแถมยังมีเด็กบางคนถึงขั้นกระดูกหักเธอจะยอมรับไหมฉันยอมรับค่ะน้ำเสียงของหลีหวันราบเรียบเป็นฝีมือนางจริงๆนั่นแหละคุณได้ยินแล้วใช่ไหมอวินชงวันนี้ถ้าคุณไม่ให้คำอธิบายที่น่าพอใจแก่พวกเราก็อย่าหาว่าผมไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หลายปีที่ผ่านมาของเรานะ นั่งเด็กบ้าคนนี้ลงมือหนักจริงๆฉันจะฆ่าแกใครกล้าขยับอีกนิดอย่าหาว่าผมไม่เกรงใจเจิ้งอวิ๋นฉววงอารมณ์ชั่วของคนนับสิบ์ไว้ด้วยตัวคนเดียวน้ำเสียงของเขาดังขึ้นที่นี่คือเขตทหารไม่ใช่ที่ที่พวกคุณจะมาทำอะไรตามใจชอบทุกคนใจเย็นใจเย็นมีอะไรก็ค่อยๆพูด